ยาีเรียเรื่องนายพลจะออกบวชนายพลท่านหนึ่งทำสงครามป้องกันชายแดนอยู่แถบทะเลทราย เป็นเวลาถึงสิบกว่าปีตอนนี้เมื่อนึกถึงคมหอกสาตราวุธและสภาพสงครามที่มีเลือดไหลนองดังสายน้ำจิตก็ยากที่จะสงบลงได้เลยมาหาพระอาจารย์เพื่อจะขอออกบวชพระอาจารย์ข้าพเจ้าเบื่อสงครามเหลือเกินตอนนี้รู้สึกปลงไปหมดแล้ว ขอให้พระอาจารย์เมตตารับข้าพเจ้าเป็นสิทธเถอเจ้าทำสงครามมาเป็นแรมปีกลิ่นอายแห่งการฆ่ายังมีอยู่เยอะและยังมีครอบครัวให้เป็นห่วงไม่เหมาะที่จะบวชตอนนี้ไว้รออีกสักระยะก่อนพระอาจารย์ตอบข้าพเจ้าแม้จะอยู่ในสงครา ม, มานาน นั่นเป็นเพราะความจาเป็นบังคับข้าพเจ้าเกลียดสงครามเป็นที่สุดตอนนี้ข้าพเจ้าวางทุกอย่างลงได้หมดแล้วลูกและพันยาครอบครัวก็ไม่เป็นปัญหาบวชให้ข้าพเจ้าเถอะรออีกสักระยะหนึ่งก่อนพระอาจารย์พูดแล้วก็เดินกลับเข้าวัดท่านายผลเลยจำใจต้องกลับบ้านไป รุ่งขึ้นแต่เช้าตรู่ท่านในพลก็มาที่วัดอีกพระอาจารย์เลยทักว่าท่านนายพลทำไมถึงมาไหว้พระแต่เช้าเพื่อดับไฟอันร้อนรุ่มในหัว อ, อกเลยตื่นเช้ามาไหว้พระพุทธองค์พระอาจารย์เลยย้าแย่กลับไปว่าตื่นแต่เช้ามาอย่างนี้ไม่กลัวเมียมีชู้หรอ ท่านในพลรู้สึกโกรธจัดจึงร้องด่าออกมาตามความเคยชินที่อยู่ในสงครามว่าเจ้าทำไมพูดจาทำร้ายคนขนาดนี้พระอาจารย์หัวเราะเบาๆพูดมาเป็นโสลกว่าโบกพัดเพียงเบาๆไฟในอกก็คุกกรุ่นมุทะลุอย่างนี้หรือคือการวางลงได้แล้วท่านในพลฟังแล้วหน้าแดงกรม ไม่สามารถโต้อตอบอะไรได้อีก